พูดถึงสิ่งอัศจรรย์ตลอดเวลาที่เราได้อยู่รับใช้เจ้าประคุณเราได้พบเห็นสิ่งอัศจรรย์มากมายเช่นเมื่อปลายพศ2534ได้เกิดไฟไหม้ที่บริเวณชุมชนแออัดหลังวัดต้นเพลิงเกิดจากบ้านของแขกขายถั่วที่ทอดถั่วกลางดึกเพื่อเตรียมไว้ขายในวันถัดไป ไฟได้ลุกโหมบ้านที่อยู่ติดกันและลุกลามต่อไปเรื่อยๆตรอกทางเข้าชุมชนเล็กจนรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปดับไฟได้อีกทางข้าวของของชาวบ้านที่วางไม่เป็นระเบียบก็เป็นอุปสรรคในการเข้าดับเพลิงในขณะที่ทุกอย่างกำลังวุ่นวายอยู่นั้นมีชาวบ้านจำนวนหลายสิบคนวิ่งเข้าไปหาเจ้าประคุณที่กุติในขณะนั้นเจ้าประคุณกาลังนั่งสมาธิอยู่เมื่อชาวบ้านขอร้องลูกศิษย์วัด เพื่อเข้าไปหาท่านแล้วท่านได้ลุกเดินออกมาจากกุฏิและเดินนำชาวบ้านขึ้นไปยังตึกสูงของวัดซึ่งใช้เป็นที่อบรมกรรมฐานและอยู่ติดกับชุมชนแออัดท่านขึ้นไปถึงชั้นที่หและบอกให้ลูกศิษย์เปิดหน้าต่างออกเบื้องล่างเสียงโกลาหลของผู้คนดังอืออึงขึ้นมาท่านสงบนิ่งมองไปข้างหน้าจากนั้นท่านได้เงยหน้ามองไปที่ท้องฟ้าและกระทาอาการโบกมือสามครั้ง สิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนั้นคือเกิดเมฆใหญ่ลอยเหนือบริเวณที่เกิดไฟไหม้ลมที่พัดกระโชกแรงกลับหยุดนิ่งจนต้นไม้ไม่ไหวติง่งสายฝนกระหน่ำลงมาอย่างมากมายและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดได้ง่ายๆที่แปลกก็คือวันที่เกิดเหตุนั้นเป็นปลายเดือนธันวาคมซึ่งฝนตามฤดู ก, กาลขาดช่วงไปนานแล้วฝนที่ตกลงมานั้น สร้างความอัศจรรย์ใจแก่ทุกคนที่อยู่ณที่นั้นจากนั้นท่านได้เข้าไปกราบพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ที่ชั้นนั้นสักพักใหญ่แล้วท่านก็เดินลงมาจากตึกทันทีที่ท่านก้าออกจากตึกฝนที่กระหน่ำอยู่ก็ขาดเม็ดลงท้องฟ้าเปิดในทันทีชาวบ้านจำนวนมากคุกเข่าตามสองข้างทางจากตึกกรรมฐานไปยังกุฏิของท่าน ทุกคนต่างประนมมือกล่าวร้องสรรเสริญสาธุการที่ท่านเจ้าคุณได้เมตตาห้ามไฟให้ระงับดักมอดไปน้ำตาแห่งความรู Mit ้ euh. สึกสำนึกไหลอาบแก้มคนจำนวนมากยังไม่มีใครอายใครเหตุการณ์ไฟไหมในครั้งนั้นทำให้เราอยากรู้ว่าท่านเจ้าประคุณท่านใช้วิชาอะไรในการห้ามไฟ คำถามมากมายเกิดขึ้นในใจเราถามท่านว่าก็ในเมื่อเจ้าประคุณสามารถห้ามไฟได้เหตุใดท่านจึงไม่ห้ามให้ไฟหยุดไหม้ตั้งแต่แรกแต่นี่ถึงแม้ไฟจะไม่ไหม้บ้าน172หลังคาเรือนก็ตามแต่ในเหตุการณ์นี้ก็มีบ้านที่ถูกไฟไหม้ไปยีสบหลังคาเรือนท่านบอกเราว่าท่านไม่ได้เป็นผู้ห้ามไฟแต่ที่ไฟดับได้นั้นก็อาจจะเป็นเพราะ ท่านระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระรัตนตรยัยเหล่าเทวดาอารักของวัดเมื่อได้ยินได้ทราบถึงพระคุณแห่งพระรัตนตรัยนั้นและระลึกตามจึงได้สนองงานระงับดับไฟนั้นให้มอดลงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเราจึงสนใจมาแต่นั้นว่านอกจากพระคุณของพระรัตนตรัยที่เป็นเสมือนเกราะป้องกันตัวผู้ระลึกถึงพระคุณอันประเสริฐนั้นแล้ว ยังมีเหล่าเทว า, ารักที่คอยปกป้องพูดถึงซึ่งพระรัตนตรัยอีกชั้นหนึ่งด้วยเราได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณอบรมสั่งสอนในวิถีทางของพุทธศาสนาเรื่อยมาเป็นลำดับท่านสอนในเรื่องที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องของปาฏิหารคำว่าปาฏิหารนั้นแปลว่าสิ่งที่เป็นอัศจรรย์มีไตยะที่ท่านจำแนกเป็นสามประการคือ อิทธิปาฏิหารหมายถึงแสดงฤทธิ์แดดเป็นอัศจรรย์อาเทศนาปาฏิหารดักใจคนเป็นอัศจรรย์อนุสาสนีปาฏิหารมีคําสอนเป็นอัศจรรย์3ามประการ น, นี้เป็นคุณอันวิเศษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเรียกอีกในว่าเป็นพุทธปาฏิหารส่วนที่พระอริยเจ้าทั้งหลายที่สําเร็จอภิญญาขั้นใดขั้นหนึ่ง และเหล่าลูกศิษย์ทั้งหลายได้ประสบได้พบเห็นถึงคุณอันวิเศษแห่งพระอริยเจ้านั้นเป็นเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ระลึกรู้ถึงพระคุณอันประเสริฐสูงสุดของพระพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมอทุกขณะจิตเป็นผู้เจริญรอยตามพระบาทแห่งพระพุทธองค์ดังนั้นด้วยจิตที่มั่นคงและแน่วแน่ในพระรัตนตรัยนี้เองประกอบกับผู้ที่ระลึกนั้นเป็นผู้ที่มีศีลและจริยาวัดอันสมบูรณ์บริสุทธิ์แล้ว เหล่าเทวดาอารักษ์ทั้งหลายที่ประชุมแวดล้อมอยู่ในภพภูมิต่างๆเมื่อได้ประจักแจ้งถึงกตันยูกะตะเวทิตาและศรัทธาที่มั่นคงแห่งพระอริยะเจ้าองค์นั้นๆแล้วจึงได้มาประชุมแวดล้อมพระอริยเจ้าองค์นั้นๆเพื่อจะอนุโมทนาในบุญที่จะบังเกิดขึ้นจากพระอริยะเจ้านั้นนี่เป็นเหตุผลประการที่หนึ่งประการที่สอง เหล่าเทวาอารักษ์ต้องการมาประชุมแวดล้อมพระอริยเจ้านั้นเพื่อฟังพระธรรมของพระพุทธองค์ที่พระอริยเจ้าองค์นั้นนั้นได้พิสูจน์ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางให้เหล่าเทวดาอารักษ์นั้นได้น้อมนำมาใส่ตนเพื่อพัฒนาตนให้เป็นเทวดาในภพภูมิที่มีคุณภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปประการที่สเหล่าเทวดาอารักษ์ มาสถิตห้อมล้อมพระอริยเจ้าก็เพื่อคอยถวายงานตามที่พระอริยเจ้านั้นเห็นว่าเป็นเหตุเป็นผลและมีเหตุมีผลตามสมควรซึ่งแม้เพียงชั่วขณะจิตเดียวที่พระอริยเจ้าพิจารณากิจอันใดอันประกอบด้วยเหตุและผลตามสมควรแล้วเหล่าเทวดาอารักษ์ก็จะอำนวยผลให้กิจที่พระอริยเจ้าท่านพิจารณานั้นสาเร็จลุล่วงไปตามการที่สมควร ประ ก, การสุดท้ายคือเทวดาอารัก์ทั้งหลายเหล่านั้นบางครั้งก็ให้โทษแก่ผู้ที่กระทําการจาบจ้วงพระอริยะเจ้าผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ทั้งนี้เพื่อทรมาในให้คนเหล่านั้นเห็นผลแห่งการล่วงล้ำก้าเกินพระอริยะเจ้าและบางครั้งก็อำนวยประโยชน์สุขให้แก่ผู้ที่เคารพนับถือในพระรัตนตรยัยทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการให้กําลังใจแก่ผู้ประพฤติปฏิบัตินั่นเอง พจ้าระคุณท่านได้สรุปให้เราเห็นว่าที่คนเห็นไปว่าพระอริยเจ้าองค์นั้นองค์นี้ช่วยบรรเทาปัดเป่าทุกภัยทั้งปวงหรือสำแดงฤทธเดชปาฏิหารให้ประจักษ์เป็นอัศจรรย์นั้นนอกเหนือไปจากคุ ณ, ณวิเศษที่เกิดจากการปฏิบัติตามแนวทางในวิชาของพระพุทธเจ้าแล้วอีกส่วนที่สําคัญคือความอัศจรรย์เหล่านั้นบางครั้งไม่ได้เกิดมาจากองค์พระอริยเจ้าโดยตรงเพราะหลายเรื่องมีผู้แย้งว่า หากเป็นเพราะพระอริยเจ้าโดนบันดาลให้อาจาไม่ใช่กิจของสงฆ์ข้อนี้ดูจะเป็นเรื่องจริงดังที่เขาว่าแต่เจ้าประคุณท่านขยายความในส่วนนี้ว่าที่เขาตำหนิว่ากล่าวเช่นนั้นเกิดจากความไม่รู้เพราะที่จริงแล้วนอกเหนือจากคุณวิเศษตามที่ได้กล่าวมาหากเรื่องหนึ่งเรื่องใดอยู่นอกเหนือไปจากกิจของสงฆ์ที่พึงสารวมระวังแล้วเหล่าเทวดาอารัก์ต่างหาก ที่ได้สนองในพระเดชและพระคุณแห่งพระอริยเจ้านั้นทั้งสิน้นความเชื่อเรื่องอารักษเทพหรือเทวดานั้นสำหรับผู้ที่มีศรัทธาคงไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำความเข้าใจแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่ยอมเปิดใจรับรู้เห็นจะเป็นการยากที่จะอธิบายไม่ใช่เพราะไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้แต่เป็นเพราะบุคคลนั้นๆไม่พยายามที่จะเข้าใจ ดังตัวอย่างต่างๆที่เรายกมาอ้างข้างตน้นหลายคนก็อาจประสบเหตุการณ์เช่นว่าหรือที่คล้ายๆกันมาบ้างแต่สำหรับคนที่ปิดใจ ย, ยอมรับแล้วก็ไม่มีทางที่จะชี้ทางสว่างให้เขาได้เลยพระธรรมและคุณวิเศษในวิชาอันพระพุทธเจ้าส่งคนพบนั้นทรงถือว่าเป็นของมีค่าดังนั้นผู้ที่ต้องการได้รู้ในพระธรรมและวิชาเหล่านั้นต้องขวนขวายศึกษาทาความเข้าใจเอาเอง แต่ถ้าจะให้ต้องบังคับยัดเยียดให้ผู้คนเคารพนับถือนั้นไม่ใช่พระธรรมและวิชาในศาสนาของพระพุทธองค์